พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสามสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายสัตตกะอัตตกะนวกะนิบาศพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าด้วยชุมนุมธรรมะจานวนเจ็ดแปดและเก้ารวมทั้งเล่มมีพระสูตรประมาณสามร้อยสูตรต่อไปนี้จะย่อตามลําดับจํานวนคือเริ่มแต่ชุมนุมธรรมะจานวนเจ็ดเป็นต้นไป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 เป็นริศยาและตรณีสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงกำลังเจ็ดอย่างคือความเชื่อความเพียนความละอายความเกรงกลัวต่อบาปความระลึกได้ความตั้งใจมั่นและปัญญาตรัสแสดงทรัพย์เจ็ดอย่างคือความเชื่อ ศีลความละอายความเกรงกลัวต่อบาปการสดับตรับฟังการสลักและปัญญาตรัสกับราชมหาอามาตย์ชื่ออุคคะว่าทรัพย์ทางโลกเป็นของสาธารณะแก่ไฟแก่น้ำเป็นต้นส่วนทรัพย์เจ็ดอย่างข้างต้นไม่เป็นของสาธารณะแก่ไฟแก่น้ำเป็นต้นหมายเหตุผู้อ่าน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 วิจิกิจชาความสงสัยมานะความถือตัวพระวราคะความกำนัดยินดีหรือความติดในภพหรือความมีความเป็นอวิชชาความไม่รู้อริยสัจ ส, สีตรัสแสดงว่าพรมจันทร์อันบุคคลประพฤติเพื่อลักสังโยชน์เจ็และตรัสแสดงสังโยชน์เจ็ดอีกในหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะข้อ6กับเจ ในเนื้อความก่อนเป็นความริษยาและความตรณีวัคที่สองอนุสัยวัคว่าด้วยอนุสัยคือกิเลสที่แฝงตัวหรือที่นอนเนื่องในสันดานตรัสแสดงอนุสัยเจ็ดประการอย่างเดียวกับสังโยชน์เจ็ดมีความพอใจในกาม คือกามราคะเป็นข้อแรกมีอวิชชาเป็นข้อสุดท้ายแล้วตรัสแสดงว่าพรมจันทร์อันบุคคลประพฤติเพื่อลกอนุสัยเจ็ดตรัสแสดงว่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดไม่กวนเข้าไปเข้าไปแล้วไม่กวนนั่งคือหนึ่งไม่ต้อนรับ 2. ไม่อภิวาทสา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 เห็นว่าไม่ใช่ตนในธรรมะทั้งปวงเห็นว่าสุขในพระนิพพานส่วนลำดับข้อสี่ถึงข้อ7ซ้ำกันตรัสแสดงนิทศวัตถุ ค, คือที่ตั้งแห่งการที่จะไม่มีอายุสิบปีต่อไปอีกโดยอธิบายว่าจะไม่เกิดอีกนิทศวัตถุเจ็ประการคือภิกษุเป็นผู้มีชันทก หรือความพอใจแรงกล้าในการสมทานศิกขาบทและมีความรักอันยิ่งในการสมทานสิกขาบทต่อไปในการพิจารณาธรรมในการนําความปรารถนาออกในการหลีกเร้นในการปรารบความเอียนในสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนในการแทงทะลุความเห็นคือตรัสรู้ด้วยมรร และมีความรักอันยิ่งในการนั้นๆต่อไปวัรที่สาวัชีวรว่าด้วยเหตุการณ์ในแคว้นวัชีพระผู้มีประภาคประทับณส า, ารันทเจดีใกล้กรุงเวสาลีตรัสแสดงอปริหานิยธรรมคือธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เจ็ดอย่างแก่เจ้าลิชวีคือชาววัชีหนึ่งจากประชุมกันเนืองนิด 2. จากพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและกระทากิจที่ควรทํา 3. จากไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจากไม่ตัดรอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วยอมรับศึกษาในธรรมะของชาววัตชีตามที่บัญญัติไว้แล้ว 4. จ่จะเคารพนับถือชาววัชีที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เท่า 5. จาจะไม่ก่มเหงล่วงเกินสตรีที่มีสามีแล้วและสตรีสาว 6. จากสักการะเคารพเจดีย์ของชาววัชี 7. จ็กจะจัดแจงให้การอารักขาคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์และปรารภให้พระอรหันต์ที่ยังไม่มาได้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขตรัสแสดงอปริหานิยธรรมของชาววัชีเจข้อนี้แก่วัสกาลพราหมณ์มหาอมรทของแคว้นมคตตรัสแสดงอปริหานิยธรรมคือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมของภิกษุเจ็ดประการคือหนึ่งจากประชุมกันเนืองนิด 2. จากพร้อมเพรียงกันประชุม เป็นต้น 3. จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติเป็นต้น 4. จะเคารพนับถือภิกษุที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เท่า 5. จัจะไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. จะยินดีในเสนาสนะปา่า 7. จ็ดจะตั้งความปรารถนาดีในภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักให้มาที่มาแล้วให้อยู่เป็นสุข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 มากไปด้วยความไม่เลื่อมใสในภิกษุที่เป็นเทระบวชใหม่ปูนกลางฟังธรรมะด้วยจิตคิดจับผิดสแสวงหาทักิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาทำการอันควรทมก่อนให้ทักิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนานั้นส่วนฝ่ายดีทรงแสดงโดยในตรงกันข้าม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 ไม่ดูหมิ่นเพื่อนเพราะสินทรัพย์ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็ดควครคบเป็นมิตรแม้จะถุกขีดกันให้ออกห่างคือเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่สรนเสริญเป็นผู้ว่ากล่าวเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําเป็นผู้กล่าวถ้อยคําอันลึกซึ้งในทางธรรมะไม่ชักชวนในฐานะอันไม่สมควร ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างจะทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาคือความแตกฉานโดยการไม่นานข้อหนึ่งถึงสคือรู้ตามความจริงว่าจิตท้อแท้จิตหดหู่จิตปุ้งสร้านข้อสถึงหเวทนาสัญญาความตรึกของเธอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเธอรู้แจ้งแล้วหลักข้อเจ็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 ในพระธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ด้วยการนับพรรษาแต่ด้วยคุณธรรมแล้วตรัสแสดงนิทสัวัตถุเจ็ดประการดังที่ตรัสไว้แล้วในวรรคที่สองตรัสแสดงนิทสัวัตถุอีกเจ็ประการแก่พระอานนท์ผู้เดฝังนักบวชศาสนาอื่นพูดกันทํานองเดียวกับพระสาวรีบุตรเป็นแต่เปลี่ยนแสดงคุณธรรมคือมีศรัทธา มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปมีการสะดับมากปรารอบความเพียรมีสติและมีปัญญาวรรคที่หมหายัญยวรรคว่าด้วยการบูชายันใหญ่ตรัสแสดงที่ตั้งแห่งวิญญาณ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 ได้แก่เทพพวกอภัสรภรมสี่สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนหะลมห้าสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาศสานัญจายตนะหกสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะเจ็ 7. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากินจัญญายตนะ ตรัสแสดงธรรมะที่เป็นบริฐานคือเครื่องประกอบของสมาธิเจดอย่างมีความเห็นชอบเป็นต้นมีความระลึกชอบเป็นที่สุดตรัสแสดงไฟเจ็ดอย่างคือราคะโทสะโมหะผู้ควรของคำนับคะรหะบรดีคือบุคคลในครอบครัวผู้ควรทักคินาหรือของถวายและไปอันเกิดจากไม้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 โมหะและควรสักการะเคารพไฟหนึ่งอย่างคืออาหุเนยยักขิไฟคือผู้ควรของคำนับได้แก่มารดาบิดาคหะปฏิตักขิไฟคือครุหะ บ, บดีได้แก่บุตรภริยาธาตุคนใช้ทักกินเนยะยะักขิไฟคือผู้ควรแก่ทักกินาได้แก่สมณพราหม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 สภะโลเกอนาพิรตสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอานิจจสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่เที่ยงอานิจเจทุกขสัญญาความกําหนดหมายว่าเป็นทุกขในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกเขอนาตะสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่ใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข รั้นแล้วตรัสอธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้ตรัสกัชานุสสะโนิพรามถึงเมตุนสัญโยคคือความเกี่ยวข้องกับธรรมะของคนคู่เจ็ดประการคือสมณะก็ดีปรามก็ดีบางคนปฏิญญาตนว่าเป็นพระมารีจริงๆหาได้เสพเมตุนกับมาตุคามไม่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 ไม่ถึงอย่างนั้นแต่เห็นขา้าเรือหาบดีหรือบุตรแห่งขา้าเรือหาบดีผู้เอิบอิ่มรังพร้อมด้วยการมาคุณห้าแล้วลื้มใจ 7. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้เป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งแล้วลื้มใจพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดทะลุดางร้อย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 อุบาสิกาชื่อเวลุ ก, กันตะกีผู้เป็นมารดาของนันทมานพกราบเรียนพระสารีบุตรถึงเรื่องน่าอัศจรรย์เจ็ดประการคือหนึ่งนางสนทนากับท้าเวสุวรรณ 2. พระราชาขมเหงฆ่าบุตรของนางตายแต่นางไม่มีจิตผิดปกติ 3. สามีตายไปเกิดในกำเนิดยักษ์มาแสดงตนด้วยอัตภาพเดิม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 คือจิเลสเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำหอย่างได้